สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ c o m ทูเดย์เรดิโนะครับทาง FM 89.5 MHz นะครับอยู่กับผมพนชัยจันทสประแสงนะครับบวกกับอกอมิง้งประจามันจันที่สิบหกกันยายน2องพนะครับวันนี้ก็มาพร้อมสาระดีๆเช่นเคยนะฮะแล้วก็ <c oughs> เหมือนเดิมมีเพลงเพราๆมาให้ฟังแต่ที่แน่ๆนะครับวันนี้ก็มีเรื่องร้อนๆ อ, อยู่เยอะเลยสำหรับวีคนี้นะครับก็ต้องบอกว่า อะไรก็ไม่ร่อแหลงเท่ากับเรื่องของ iPhone แล้วแหละสำหรับในตลาดหรือในคอนเทนต์แนวเทคโนโลยีในช่วงนี้เพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็เพิ่งจะเปิดตัว iPhone 11นะครับขึ้นมาซึ่งก็มีการจับตาและก็มีคนทํานายไทยทักกันไปเยอะว่าจะเป็นสเปคแบบนั้นมีนู่นกล้องจะเป็นแบบนั้นแบบนี้นะก็สรุปเปิดออกมาแล้วเดี๋ยววันนี้พี่มิงก็จะนาตัว หรือว่าเนื้อหาของในส่วนของ iPhone 11เนี่ยมาบอกเล่าและแน่นอนนะครับว่าในงานเดียวกันนี้เนี่ยนอกจากเปิดตัว iPhone แล้วก็ยังมีสินค้าอื่นๆ Product Line อื่นๆของตัว iPhone มาฝากกันด้วยนะครับเราจะมาเริ่มต้นกับตัว iPhone 11นะฮะที่เป็นรุ่นเล็กจบต้องได้มาพร้อมกล้องหลัง2ตัวแล้เขาบอกว่าเน้นถ่ายกลางคืนได้ดีขึ้นนะครับก็ถือว่า เป็นการสิ้นสุดการรอคอยนะครับเมื่อ Apple ประกาศเปิดตัว iPhone 11อย่างเป็นทางการโดยวางรุ่นน้องเล็กสุดในบรรดา iPhone 11 s e r i ซีรีสทั้ง3รุ่นเนี่ยมาแทนที่ i p h o n เชนไอเลิบรอยนะก็คือพูดง่ายว่าเลิกเลิกขายไปเลยแล้วก็มาเน้นขายตัวนี้แทนนะครับสำหรับตัว iPhone 11นะครับสิ่งที่เพิ่มเข้ามานะฮะ โดยหลกัหลกๆเลยก็คือมีกล้องหลัง2ตัวนะฮะชิปตรมลผล A13 Bionic พร้อมกับ Neutral Engine รุ่นที่3นะฮะด้านดีไซน์ก็ยังคงคล้ายๆเดิมแทบจะไม่ต่างกับ iPhone 1 1 R มากนักนะครับยกเว้นกล้องหลังที่ดีไซน์ตามข่าวหรือเปร๊ะๆ เ, เลยก็คือเป็นช่องสี่เหลี่ยมซึ่งมีกล้องหลัง2ตัวนะฮะแบ่งเป็น เลนหลัก12ล้านพิกเซลนะฮะแล้วก็เลนมุมกว้าง120องศานะ12ล้านพิกเซลเหมือนกันนะครับจุดเด่นของกล้องใหม่นี้ก็คือสามารถถ่ายภาพมุมกว้างหรือว่าวได้ถึง120องศานะฮะเขาก็บอกว่าช่วยให้สามารถถ่ายภาพที่กว้างขึ้นจากเดิมสีเท่านอกจากวแล้วนะครับตัวปรับปรุงบท ถ่ายภาพตอนกลางคืนเนี่ยก็มีเขาเรียกว่าประสิทธิภาพที่มากขึ้นนะครับช่วยให้สามารถถ่ายภาพในที่มืดแล้วก็ดูแบบไม่มืดๆคือมีแสงที่มาช่วยปรับนะฮะด้านวิดีโอก็สามารถถ่ายวิดีโอความละเอียดที่ 4K แบบ 60fps ได้นะฮะเข้าใจว่าตัวนี้ก็น่าจะออกมาชนกับ a ั s u ุงหรือว่าหัวเวยที่ออกมาเกานหน้านี้ที่เขาบอกว่าเขาจะเน้นให้ บรรดาบล็อกเกอร์บรรดายูทูบเบอร์ใช้มือถือในการถ่ายแทนกล้องนั่นเองนะครับสำหรับกล้องหน้านะครับก็เป็นกล้องแบบ True Deep นะฮะความละเอียดอยู่ที่12ล้านพิกเซลเช่นเคยนะฮะแต่ว่าตัวนี้เขาจะมี Face ID หรือว่าตัวสแกนใบหน้าได้เร็วขึ้นแล้วก็มีฟีเจอร์ใหม่ที่น่าสนใจอย่างสโลโมโลเซลฟี่เป็นยังไงล่ะก็ เป็นสโลโมชันแหละแต่ว่าถ่ายเซลฟี่ด้วยนะฮะซึ่งตัวสโลโมเซลฟี่ตัวนี้ถ่ายภาพ s ซลฟี่ฝานผาพผ่านหน้ากล้องแบบสโลโมชันได้นะฮะ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่เอาใจคนชอบถ่ายรูปในยุคนี้นะฮะส่วน <c oughs> กล้องหน้านะฮะก็เป็น t ทร e ด e p ความละเอียดที่12ล้านพิกเซลแล้วก็มี Face อ d อย่างที่บอกนะฮะตัวเครื่องนะเป็นไงบ้างมาพร้อมกับ Liquid เ e ขนาด 6.1 นิ้ว ไม่มีจอ 120hz ตนะฮะตามข่าวลือมีความละเอียดอยู่ที่ 1,792 งพัิคณพิกเซลนะฮะที่326 ppi ส่วนสเปคที่เหลือก็มีลำโพง Dolby a อ m o s สนะฮะในตัวรองรับ Wi-Fi 6นแบตรองรับชาร์จไวแล้วก็การชาร์จแบบไร้าสายส่วนแบตก็อึดทนกว่า 10R อยู่ประมาณ1ึงชั่วโมงนะครับสำหรับตัวนี้เขาบอกว่าราคาที่น่าจะเริ่มจำหน่ายจะอยู่ที่ 24,900 สำหรับความจุเริ่มต้นที่64 g b แล้วก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆก็ถือว่าราคาถูกกว่าที่เคยเจอมาสำหรับการข i p ไ o n e เลยก็ว่าได้เดี๋ยวจะมีวิเคราะห์ให้ฟังว่าทางในะครับในตัวตัดไปก็คือ iPhone 11 Pro อันนี้ก็มาพร้อมจอขนาด 5.8 นิ้วความละเอียด 2,432 1,125 นะฮะไฮไลท์ตัวนี้หนีไม่พ้นกล้องเหมือนเดิมนะฮะซึ่งรอบนี้อัดมาให้3เล น, นที่เลนหลัก12ล้านพิกเซล แล้วก็เลนซูมนะฮะแล้วก็จะมีเล่นมุมกว้างก็คือมา3ตัวเลยนะฮะตัวกล้องทั้ง3ตัวจะมาพร้อมฟิวเจอร์ใหม่อย่าง d e ฟฟิ i ชั่ก็คือกดถ่าย1รูปกดถ่ายรูป1ครั้งตัวกล้องจะลัวทันที9ภาพนะฮะจริงๆเข้าใจว่าซัม s ุงหรือโ u ไวก็มีมาสมควรแล้วนะขุด <c oughs> <c oughs> ๆอยู่นะฮะแล้วก็ใช้ขุมพลังจาก AI หรือว่าชิปเน e ิชเชนเอ็นรุ่นที่3แบบเต็มที่กันเลยนะฮะตัวนี้ราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ย ถ้าเป็น11 Pro ธรรมดาจะเริ่มต้นที่ 35,000 ืนานะฮะแต่ถ้าเป็น11 Pro Max จะเริ่มต้นกันที่ 39,990 ื่กาพกราบาทก็ดูราคาตัวนี้ก็ถือว่าไม่เบาเนาะถ้าเทียบกับ iPhone ซึ่งวิเคราะห์ในตลาดสำหรับความเห็นของพี่มิงก็มองว่าออไอตัวถูกๆอะ่ะคงไขายไม่ค่อยดีหรอกคนจะซื้อตัวแพงคนไทยไม่ค่อยชอบใช้ของถูกฮะสหรับ iPhone เพราะว่า ถ้าซื้อ iPhone ทั้งทีก็น่าจะซื้อของแพงเนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็ต้องมาดูแล้วกันว่าหลังจากที่ Apple เปิดตัว iPhone มาที่ราคา 24,900 นีเ้นี่ยจะขายดีไหมเพราะว่าจากประวัติศาสตร์ของการขายของ iPhone พบว่าราคาที่ถูกมักจะขายไม่ได้นส่วนราคาแพงๆแพงสุดนะฮะสเปคไฮโซสุดเนี่ยจะขายได้ดีนะครับก็ดูตลาดตรงนี้เข้าใจว่าจะเริ่ม <c oughs> ให้มีการขายจริงๆช่วงประมาณวันที่20กันยายนนี้นะฮะส่วนประเทศไทยต้องร อ, อประกาศซึ่งก็มีคนลุ้นว่าจะได้ขายในล็อตหนึ่งหรือเปล่านะฮะแต่จากประสบการณ์เหมือนกันก็ไม่มีทางแต่เข้าใจว่าช่วงปลายปีอย่างเดือนพฤศ จ, จิหรือตัดประมาณสักพฤศ จ, จิธันวาเนี่ยก็น่าจะได้เห็น ตัว iPhone ตรงนี้ออกขายในท้องตลาดสำหรับเมืองไทยนะครับและแน่นอนเข้ามาปลายปีอย่างช่วงเดือนธันวาคมนั้นน่าจะได้เป็นแบบเต็มเต็มซึ่งก็ลองอดใจรอตรงนั้นพอพี่มิงเชื่อว่าถึงเวลานั้นเครื่องมาพร้อมโปรโมชั่นก็น่าจะมาเต็มเช่นกันนะครับ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 ช่ไหมสายตาที่อ่อนโยนย้ำเธอหันมาก็ที่เหมือนไม่มีทางจะจากลาสุดท้ายก็เหลือแค่ความว่างเปล่าไม่มีอีกแล้วช่ไหมมือที่กุมนี่คือเนบนาฉันเพียงคนเดียวในที่ของเราจะอยู่ยังไงก็ตัวเองส้ กับใจช้ำชกับความทรงจำที่คอยซ้ำตามย้ำว่าไม่มีทางกลับเป็นเหมือนเดิมอยากจะบอกว่าฉันคิดถึงอยู่กับความคิดถึงแต่ก็รู้คิดถึงเท่าไรไม่มีทางให้เธอย้อนคืนกลับมาใช่ไห ม, ไ, หมไม่ว่าจะอยู่ไกลเพียงไร ใจนานเพียงใดฉันยังมีเธอหมดทั้งหัวใจไม่มีทางเะลืมไม่มีอีกแล้วใช่ไหมข้อความที่เราคอยทรงถึงกันภาพมาื่อวานที่มีแค่เธอและฉันวันนี้มีเพียงแค่ความววางลามันจบไปแล้วใช่ไหม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 อยากจะบอกว่าฉันคิดถึงอยู่กับความคิดถึงแต่ก็รู้คิดถึงเท่าไรไม่มีทางให้เธอย้อนคืนกลับมาชิไนใหมไม่ว่าเจออยู่ไกลเพียงไรใจนานเพียงใดฉันยังมีเธอว่าเธอ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 ก็เลยเกิดกระแสว่าไอโฟนถูกนะอันนี้ก็อาจจะเป็นสตัทตจีหนึ่งนะฮะเพราะว่า iPhone 11ตัวนี้ถือว่าสเปกหรือว่าดีทรงดีไซน์ก็ค่อนข้างคล้ายๆกับตัวเดิมมากก็พูดง่ายว่ามีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างน้อยนะก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นแผนหนึ่งที่ iPhone ออกมาเพื่อหรือ Apple ออกมาราคาที่ถูกลงเพื่อให้มันเกิดกระแสนในเรื่องนี้นะครับก็ดูจะเป็นเรื่องที่กระแสแรงสุดสําหรับ iPhone 11เนะครับเราจะมาวิเคราะห์กันกับ3มเหตุผลที่ iPhone 11ราคาถูกลงและช่วยตัดสินใจว่าราคาเล็นเนี่ยคนจะซื้อใหมนะฮะเหตุผลที่ Apple ตั้งราคา iPhone ถูกลงเนี่ยถ้าความเนจริงที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่า a p p l ปลปัดราคาขาย iPhone แพงขึ้นเรื่อยๆซึ่งรุ่นเรือธงบางรุ่นที่ขายเกิขายเนี่ยสูงถึง 50,000 กว่าบาทเลยนะฮะแต่ก็ยังสามารถขายได้เมื่อมาถึงจุดหนึ่ง e ก็ปรับราคา เหมือนกับคล้ายๆก็ว่าปรับราคาขายสูงมากจนเกินไปหรือแพงเกินกว่าคุณภาพที่พั ฒ, าพฒนาขึ้นมาอาจาก็มีผลกับยอดขายที่อาจจะตกลงไปบ้างนะฮะซึ่งนักการตลาดหลายนคนก็ได้มาทำการวิเคราะห์ว่าทำไม iPhone 11ถึงต้องราคาถูกลงนะฮะหนึ่งเลยเขาบอกว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่เนี่ย <c oughs> มักจะ มีราคาที่ตั้งเอาไว้ในใจอยู่แล้วเช่นไม่เกินสามหมื่นต้นตนอันนี้คือราคาที่คนส่วนใหญ่จะรับได้นะฮะสำหรับยูเซอร์ทั่วไปสองสมาร์ทโฟนรุ่นอื่นมีราคาถูกกว่าแล้วก็สเปคสูงกว่าจึงเป็นเหตุให้ผู้บริโภคเนี่ยหันไปใช้แบรนด์อื่นกันเยอะแทนไอโฟนน ะ, ะโดยเฉพาะ พวกจีนเนี่ยยอดขายตกมากเลยเพราะว่าในประเทศจีนเนี่ยเขาบอกว่ายอดขายของ iPhone ตกจนถึงต้องทำแคมเปญลดราคาขายลงมาและยังมีโปรโมชั่นที่ผ่อนได้นานถึง36เดือนนะฮะหรืออย่างที่ญี่ปุ่นเองก็ขายได้ในก็ไม่ได้ไม่เยอะนะซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะขายได้ดีเฉพาะในเมืองไทยหรือเปล่า 3. านะสเศรษฐกิจทั่วโลกมันย่าแย่คนจะไม่ซื้อสินค้า ที่ดู overprice หรือว่าราคาสูงกว่ามูลค่าที่แท้จริงนะสุดท้าย Apple ก็อาจจะเล็งเห็นถึงปัญหานี้ก็เลยพาตัวเองกลับมาอยู่ในสถานะความเป็นจริงนะซึ่งความเป็นจริงก็คือราคาของสมาร์ทโฟนไม่ควรจะเกิน 30,000 กว่าบาทในขณะที่การเปิดตัว iPhone ครั้งก่อนเนี่ยรุ่นที่มีราคาถูกที่สุดก็เริ่มต้นส0 0 0มืนกว่าบาทแล้วกลายเป็นว่าคนที่ซื้อไอโฟนเนี่ยดู เหมือนกับรวยแต่ไม่ค่อยฉลาดเพราะว่าสเปคไม่แรงแต่ราคาแพงนี่ก็เลยทำให้ iPhone ต้องถอยกลับมาฮนะอันนี้ก็เป็นบทวิเคราะห์ที่นักการตลาดหลายๆคนมองนะวนในมุมของพี่มิงเองเนี่ยมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมันเหมือนเป็นสัญญาณอะไรบางอย่างที่บอกนะฮะว่า Apple อาจจะกำลังจะเละหลังขาย iPhone ที่อาจจะในอนาคตคือมันถึงจุดอิ่มตัวของตลาดสมาร์ทโฟนแล้วแล้วมันกาลังจะก้าวสู่ยุค ข, ของเทคโนโลยี เทคโนโลยีถัดไปอาจจะเป็นเรื่องของ iot หรืออะไรต่างๆซึ่งตอนนี้ไอโฟนหรือ Apple เองไม่ใช่ไอโฟนเอง Apple เองก็อาจจะต้องเริ่มมองหาแล้วว่ารายได้ของบริษัทจะมาจากช่องทางไหนแทนที่จะหวังจาก iPhone ซึ่งเป็นรายได้หลักเพราะฉะนั้นเขาก็เริ่มมองว่าคุก ห, หรือหมัดเด็ดๆของเขาเนี่ยกำลังจะเปิดตัวออกมาเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เริ่มโกยเงิน ให้เยอะที่สุดก็คือทำราคาถูกลงมาเพื่อให้คนหันมาซื้อหันมาใช้ก็จะเก็บเงินได้เยอะที่สุดหลังจากนั้นก็เทก็เรียกว่าเทตลาดนี้ทิ้งแล้วก็ ไปอยู่ในตลาดใหม่นั่นเองเนะครับใครที่ตามมาอยู่ในตลาดอันเนี้ยของ Apple หรือ iPhone เนี่ยก็อาจจะเหลือแต่กระดูกให้กินแล้วเขาก็อาจจะทำกำไรได้น้อยลงนั่นเองครับรายการ Comtoday สนับสนุนรายการโดยบริษัท ARIP จําจำกัดมหาชนและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยนมปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในชีวิตเราต้องมีช่วงที่ดีและร้ายอาจมีใครมากมายที่ร่วมสุดแต่ว่าตอนที่เราทุกใจมองหันไปไม่เคยเจอใครมีเพียงสองเราเท่านี้แปลกที่ชีวิตคน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 ว่าไรที่มีความหมายและสำคัญอย่าลืมคำว่ารักคำนั้นอย่าลืความรู้สึกนั้นคำสำคัญนั้นมีค่า รักเรากว่าที่เราจะได้รักกันกว่าที่เราจะมีคำว่าเราเก็บเอาไว้สิ่งเหล่านั้นอย่าให้มันลบเลือน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 มัน นนัน้อย่าลืมความรู้สึกนั้นคําสําคัญนั้นมีค่ารักษาไว้ให้ดีอย่าืมคำว่ารักคํานั้นที่เคยบอกกันแล้วกันเพียงแคคืนวันได้เลยผ่านอย่ามองคำบางสิ่งมองคำบางอย่างอย่าลืมคําว่ารัก 离开。 รายการคอมทูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่คลิกไปให้มาตรงกรันที่วิทยุราชมงคลธัญบุรี fm 89.5 เก้าจดเปกะรสองเกที่แล้วนะครับเราก็พูดคุยกันในเรื่องของ iPhone กันมาเยอะเลยทีเดียวนะครับพี่มิ้งมีผลสำรวจ น, นะฮะเขาบอกว่าพบผู้ใช้ส่วนมากเนี่ยใช้เวลา3ถึงปีในการเปลี่ยนสมาร์ทโฟนเครื่องใหม่ นะหลายคนบอกว่าต้องถามตัวเองก่อนว่าเราใช้สมาร์ทโฟนเครื่องเดิมมากี่ปีแล้วนะครับระหว่างที่ไล่อ่านข่าวไอทีปเรื่อยเนี่ยก็อาจจะพบกับบทความที่น่าสนใจบทความหนึ่งเขาขึ้นว่าคนส่วนใหญ่ใช้เวลา 3-5 ปีในการเปลี่ยนสมาร์ทโฟนเครื่องใหม่ เห็นดังนั้นนะครับก็ต้องก้มมองที่สมาร์ทโฟนตัวเราซิว่าเราใช้กี่ปีนะฮะของพี่มิงก็ไม่กี่เดือนนะเพิ่งจะซื้อนะมาดูผลสำรวจดีกว่าผลสำรวจต่งางๆมาจากทางชิง o b i l e นะฮะซึ่งได้ทำการสำรวจผู้ใช้สมาร์ทโฟนกว่า 3,000 คนโดยคำถามหลักๆก็คือสมาร์ทโฟนเครื่องใหม่ใช้เวลาเท่าไหร่และทำไมถึงเปลี่ยนนะฮะเริ่มจากระยะเวลาในการเปลี่ยนสมาร์ทโฟนเครื่องใหม่กันก่อนนะฮะผลสารวจพบว่า มี 8% นะใช้เวลามากกว่า5ปีและส่วนมาก 47% ใช้เวลา 3-5 ปีลองลงมาะะ 30% ใช้เวลาประมาณ2ปีและ 10% ขึ้น1ปีที่เหลือไม่เกิน12เดือนนี้หรือน้อยกันนั้นก็เปลี่ยนสมาร์ทโฟนเครื่องใหม่แล้วก็มีะะส่วนทําไมถึงเปลี่ยนนะครับผมผลสํารวจก็พบว่า 32% บอกเครื่องเก่าเริ่มเสื่อมสภาพลงะะทํางานได้ไม่ดีเหมือนก่อน 22% ก็บอกว่าเครื่องเก่าเจ๊งหรือทําหาย 18% บอบอกว่าเครื่องเก่าล้าสมัยไปแล้วจากนั้นนอกจากนั้นก็ระบุเหตุผลแตกต่างกันไปนะครับโดยบ้างก็เปลี่ยนตามเทรนด์บ้างก็ชอบฟิวเจอร์ใหม่หรือไม่ก็มีตังค์อะรวยกลับมามองที่ตัวตั ว, ตวหลายๆคนนะฮะเข้าใจว่าน่าจะอยู่เข้าข่าย 47% นะฮะที่ใช้เวลาประมาณ 3-5 ถึงปีในการเปลี่ยนสมาร์ทโฟนซึ่งดูแล้วกลุ่มนี้เป็นก้อนใหญ่จริงๆนะฮะก็น่าสนใจทีเดียวนะฮะความคุ้มค่า ลองเอาดูเปรียบเทียบเครื่องที่มีอยู่ในแต่ละเครื่องแล้วก็เครื่องใหม่ที่เปิดมาจะต้องยอมรับว่ามันก็ไม่ค่อยต่างกันมากนะักก็เลยอาจจะทําให้หลายๆคนก็เริ่มคิดเหมือนกันนอกเวลาจะเปลี่ยนสมาร์ทโฟนแต่ละครั้งว่าคุ้ ม, มหลือไม่คุ้มแต่หลายคนเขาก็จะมีวิธีคิดนะว่าเฮ้ยเครื่องใหม่ออกมาซื้อก่อนเสร็จแล้วเครื่องเก่าไปขายเครื่องเก่าไปขายก็จะได้ราคาสูนหนึ่งเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับเสียเงินเพิ่มนิดนึงเพื่อที่จะได้เครื่องใหม่ส่วนคนที่หล่อซื้อเครื่องเก่าหรือเครื่องที่คนแบบพวก อัปเดตบ่อยๆ อ, อย่างนี้ก็ถือว่าได้เครื่องสภาพดีราคาก็สมเหตุสมผลก็ถือเป็นอีกหนึ่งวิธีคิดของหลายๆคนที่พี่งเองก็ทำแบบนั้นเหมือนกันหรือหลายคนก็ทำแบบนั้นเหมือนกันอย่างครึ่งล่าสุดเนี่ยพี่งก็ซื้อมาตอนไอเอใช้ไปประมาณ 11-12 ถึงเดือนตัวใหม่ก็คือตัว s 1 0ออกมาก็ไปซื้อเสร็จแล้วก็เอาเครื่องเก่าไปขายนยตอนซื้อเครื่องเครื่องใหม่ก็ขอโปรพิเศษส่วนลดสูงสดอะไรต่างๆก็ๆๆๆ สรุปเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าเครื่องใหม่ตัวนี้จ่ายเพิ่มอีกประมาณ 7,000 กว่าบาทจากที่เราหักลบจากส่วนที่เราขายเครื่องเก่าไปนะก็ถือว่าเป็นของคุ้มค่าเหมือนกันสำหรับวิธีกดอีกแบบหนึ่งนั่นเองครับ ฝันไปทุกคืนว่าดาวเกี่ยวเดือนตื่นมาชันกลัวฝันจะลื่นไปโอ้อยรู้ทิ่ดาวคงมาใกล้เดือนที่ดาวคงมาเกี่ยวเดือนจะไม่ล่าลืนไปชิมมาอยากเจะรู้เพราะฉันกำลัง ขอวอนดาวได i ไ, ไหมอยากขอให้ดาวคู่เดียวกระพริบกระพริบระยิบระยับอย่าดาับอย่าลับอย่าจากกันกระพริบกระพริบให้ฉันได้ชีวิตได้อยู่เกียงคู่นี้รั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 Apple TV เนะี่ยจริงๆแล้วถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่เปิดตัวในงาน Apple นะที่แถลงข่าวเมื่อวันก่อนนะฮะเขาบอกว่า Apple TV เนี่ยโดดร่วมวงสตรีมมิง่งอัดโปรโดูฟรี1ปีจ่ายแค่จ่ายเพิ่มนะจ่ายเพิ่มแค่เดือนละ99บาทนะฮะก็ถือว่าเป็นการสร้างความคือฮาให้กับคอวิดีโอสตรีมมิ่งอีกครั้งเมื่อราคาแพ็คเกจเปิดตัวของที Apple TV อยู่ที่เดือนละ99บาทเรียกว่า pues ถูกลงกว่าครึ่งหนึ <t <t ่งเมื่อเทียบกับค่าบริการสมาชิกอย่างเจ้าตลาดอย่าง Netflix ที่ตกเดือนละ280บาทสำหรับการเหมือนพูเขาเรียกพูกันหลายๆคนหรือว่า420บาทสำหรับคนเดียวนะฮะแล้วก็น้องใหม่มาแรงอย่าง Disney Plus ที่เดือนละประมาณ225บาทก็ยังสูงกว่า Apple TV ีวีนะฮะก็ถือเป็นศึกใหญ่หลวงหนักที่เราจะเลือกไข่มาดูกันนะครับ หลังจากที่ปรับโฉมหน้าตาของ Apple TV เรียกน้ำย่อยมาสักพักนะัก็ถึงเวลาแจ้งเกิดของระบบสตรีมมิ่งตัวล่าสุดจากค่าย p p ปเที่ใช้ชื่อว่า Apple TV Plus นะครับเรียกว่าเกิดมาเพื่อท้าชน Disney Plus แบบตรงๆชื่ออย่างนีมีพาสเหมือนกันนะก็ดี day ให้บริการคืน1พฤศจิกายนเดือนเดียวกับ Disney Plus เป๊ะๆนะคร Disney เขาบอกว่าจะเปิดให้บริการ12พฤศจิกายนนะครับซึ่ง <c oughs> ในงาน Apple Special Event ครั้งล่าสุดนะเขาบอกว่านอกจากการเปิดตัว iPhone 11รุ่นเรือธงแล้วนะครับทีมคุกก็ยังได้เปิดเผยโฉมบริการวิดีโอสตรีมมิ่งตัวใหม่ของ Apple TV Plus นะครับอดแน่นไปด้วย Apple Original Content <c oughs> คืออะไร Apple Original Content ก็คือคอนเทนต์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อฉายผ่านช่องทางนี้เหมือนที่ Netflix เองเขาก็จะมีซีรีส์มีหนังของเขาเองเพราะว่า การที่จะไปรอซื้อลิขสิทธิ์จากค่ายหนังใหญ่ๆมาใช้เนี่ยบางทีมันก็ไม่เป็นเอกลุศิปนะเพราะว่าดูที่ไหนก็ได้แต่การทำคอนเทนต์ของตัวเองแบบนี้ก็ถือว่าเป็นหมัดฮุกหมัดเด็ดอย่างหนึ่งของค่ายนี้นะครับก็ต้องมาดูว่าราคาที่ออกมาเนี่ยน่าสนใจแล้วแต่จริงๆแล้วก็ต้องมาดูคอนเทนต์เพราะว่าสุดท้าย การตัดสินใจว่าเราจะซื้อตัวสตรีมมิ่งของค่ายไหนเนี่ยมันก็คงต้องดูในเรื่องของหนังที่มีฉายนะครบางคนชอบดูหนังซีรีส์บางคนชอบดูหนังญี่ปุน่นบางคนชอบดูหนังเกาหลีบางคนชอบดูหนังไทยก็ต้องเลือกให้มันถูกใจกของตัวเองนะครอย่างของพี่มิงเองเนี่ยไม่ได้ติด Netflix กซ์นะครับก่อนหน้านี้ก็ดู Ho กส์นะครแต่ว่าดูไปดูมาก็รู้สึกว่าไม่ค่อยมีอะไรให้ดูก็เลยเลิกไปนะครล่าสุดตอนนี้ก็มาดูในส่วนของแอป v ีอะไรนะวยูไอว ใช่ไหม VUI หรือเปล่าเดี๋ยวขอแอปดูก่อนชื่อแอปอนะไรเนี v ่ย VIU ไม่ใช่ VUI VIU ซึ่งเป็นแอปหนังสัญชาติออ่สัญชาติฮ่องกงเนาะก็ถือว่าโอเคทีเดียวถูก ถ, ถ, ถูกใจสำหรับพี่มิงเพราะว่ามีซีรีส์เกาหลีซีรีส์ญี่ปุ่นเยอะทีเดียวเป็นนชอบดูซีรีส์เอเชียนะฮะอ่ะก็เอาเป็นว่าใครชอบอะไรก็เลือกตัวนั้นแล้วกันนะฮะสำหรับการดูสตติมิงที่คุณชอบ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 ทุกวันที่ที่เราพบกันเมื่อก่อนยังจำซ้ำๆได้ทุกตอนราวกับมีใครมามุนย้อนเวลาแต่ก็คงจะหมุนย้อนได้แค่ในความคิด ในชีวิตจริงคงไม่เธอกันอีกแล้ว เนื้ ถึงเบรกสุดท้ายของวันนี้นะครับก็ยังคงอยู่ในงานและคอนเทนต์ที่มาจากการเปิดตัวในงานแอป l ปนะครับนอกจากไอโฟนนอกจากแอป l ป w a วอ h นอก จาก a อ p l e ิลทีวีที่พูดกันไปในหลาย ๆ, ๆช่วงนะฮะก็ยังมีตัวหนึ่งก็คือตัว iPad Gen 7นะฮะซึ่งมาพร้อมกับจอ 10.2 นิ้วรุ่นประหยัดราคาเริ่มต้นแค่1 9 0 0บาทนะครับสำหรับ Apple ตัวนี้เปิดตัวมาพร้อมกับหน้าจอขนาด 10.2 นิ้วนะฮะซึ่งมาดูไฮไลท์กันว่าตัวนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างนะฮะนอกจากขนาดหน้าจอแล้วนะฮะ ก็ถือว่า <c oughs> เป็นการอัปเกรดจากตัวเดิมที่อยู่ที่ 9.7 นิ้วซึ่งรุ่นนี้รองรับการเชื่อมต่อกับ Apple Pencil รุ่นหนึ่งแล้วก็ยงรองรับกับ Smart Keyboard อีกด้วยนะฮะไฮไลท์ <c oughs> อื่นๆก็คื อ, อ, อทะาบีนร่วมกับ iPad OS ที่กำหนดปล่อยอัปเดตในวันที่1ตุลา นะสามารถใช้งานแบบมัลติทัสสร้างสารรค์ผลงานบนจอใหญ่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับเป็น iPad สสำหรับการศึกษาราคาย่อมยาวเพราะว่าเริ่มต้นที่ 1,900 บาทแล้วก็มีราคาเริ่มต้นถูกกว่า iPad รุ่น6หน้าจอ 9.7 นิ้วอีกนะครับในส่วนอื่นๆนะครับถ้ามาดูราคาทิดนึงเขาบอกว่า iPad รุ่น Wi-Fi ความจุ32เนี่ยก็คือ1 9 0 0บาทแต่ถ้า128นะฮะก็ราคา 13,900 บาทแต่ถ้าเป็นพี่มิงก็จะเลือกรุ่นที่มันเป็นเซลูล่าคือใส่ซิมด้วยต่อนเน็ตในตัวเลยก็32กิกจะอยู่ที่ 15,400 บาท128กิกราคาอยู่ที่ 18,400 บาทนะครับตอนนี้ล่าสุดบอกว่าวันเปิดตัวเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณมาที่10กันยานะฮะพรีออเดอร์ กลุ่มประเทศแรกยังไม่บอกนะแต่ว่าวันเปิดขายจริงจะเป็นวันที่30กันยายนส่วนในไทยเองก็ต้องรอนิดนึงนะฮะยังไม่เปิดเผยออกมาอย่างชัดเจนว่าจะประกาศขายวันไหนนะครับสำหรับตัว iPad เนี่ยก็จะมีสีทั้งหมด3สีนะฮะคือสี Space Gray สีน้ำเงินแล้วก็สีทองนะแล้วเขาบอกว่า iPad รุ่น6เนี่ยเลิกขายใน Apple Store ออนไลน์แล้วหลังจากที่มีการเปิดตัว iPad g เรุ่นใหม่นะครับ ถามกันเข้ามาทางโซเชียลนะบอกว่าตัวนี้ใช้ชิปประมวลผล A10 Fusion เร็วขึ้นกว่าเดิม2เท่ารองรับการทำงานร่วมกับ iPad OS ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะฮะตัวเครื่องเป็นอะลูมิเนียมรีไซเคิลห0มาพร้อมกล้องหลัง8 MP แล้วก็มีรุ่นเซลูลาด้วยนะครับรองรับการชาร์จแบบ l i g h t n i น g ่ะก็ดูแล้วก็น่าจะถูกอกถูกใจสำหรับหลายหลยคนนะฮะที่ เป็นแฟนของ iPad นะฮะแล้วเดี๋ยวนี้เขามี Pencil เห็นหลายๆคนก็ดูกุเกิกดีนะเอาปากกามาเขียนๆมันก็ดูเออทำงานสะดวกดีคิดแล้วก็เริ่มอยากซื้อนะครับอ่ะฟังถึงตรงนี้นะครับรายละเอียดต่างๆสำหรับการเปิดตัวของ Apple เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็น่าจะสรุปกันมาแบบเต็มๆแล้วนะครับส่วนพรุ่งนี้นะฮะพรุ่งนี้พี่มิงยังมีเรื่องอื่นๆมาฝากนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ โปยโอยกันก่อนว่าพรุ่งนี้จะพูดเรื่องอะไรบาจะมาพูดถึงมาร์คซักเบิร์ตเขาบอกว่าเป็นบุคคลที่อันตรายที่สุดในโลกส่วนจะจริงหรือไม่จริงเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันนะครับเวลาวันนี้หมดลงแล้วไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ รายการค o m จูเดยสนับสนุนรายการโดยบริษัท ARIP จำกัดมหาชนและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสถานสุขภาพความงามบัวสปาภายใต้การดูแลโดยวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยราชมงคลธัญบุรี